สวัสดีครับดูสวัสดีครับเออพันี้ไอ้เรื่องจะสอบถามทาโลชั่นพวกอะไรจะเก็บเงินจะเก็บทองไหมมีมีครับจริงๆโลชั่นไม่ได้เน้นหนักนะฮะสําหรับโลชั่นเนี่ยเป็นตัวเสริมทเฉริอ๋อมันทาแล้วมันเทาได้ไหมไม่ไม่ให้ทาเลยนะมันทามันเท า, ท า, ทาแต่ว่ามีตัวที่รักษาโดยตรงเลยเอ่ามีครับเอ ในราคาเท่าไรพี่ขวดหนึ่งกินหนึ่งเดือนก็พันแปดร้อยเก้าสิบปดาท1ันแปด้อยเกิบเก้าสิบแปดบาท 1, ใช่ไหมอ่าตัดคเดือนเอาไหม เ, เขาว่าเอาอยู่พี่ครับเอาอยู่เอาอยู่ อ, อยู่ย ท, ที่ไหนครับ ป่าตองเก็บเงินสะดวกโอนเงินเก็บเงินไปทางใดจีป่าตองภูเก็ตเนาะป่ากลับอ่าป่าตองนี่จเดียยวมป่าตองสงมาการไฟฟ้านี่การไฟฟ้าไอป่าตองอุดมนะครับอุดมใช่ใช่ครับพี่ครับครับครับคับส่วนภาพป่าตองครับครับครอ่าเบอร์โทรใช้ใช้เบอร์นี้ใช่ไับครับอ่าส่งคุณอุดมครับคอ่าแล้วก็ที่อยู่การไฟ้าส่วนมุลภาคป่าตองโอเคครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะ ครับครบครับครับรับผมวัดีครับวันดีครับผม